บนฐานของมชัชฌีณาธรรมมทเนาเข้าสู่มัชิมาปฏิปทาวิธีของอวิชชาตันหาอุปาทานนั้นตั้งต้นจากฐานของการขาดความรู้นำมาสู่การคิดแล้วพูดและทำเป็นกรรมที่ไม่สว่างดังปัจจาัการที่เริ่มว่าอาวิชชาปัจจัสังขาราบจึงก่อปัญหานำมาสู่ทุกข เรียกว่าเป็นวิธีแห่งปัญหาหรือวิธีของทุกข์เพื่อก้าวไปในวิธีของอิสระภาพและความสุขที่ปลอดทุกไร้ปัญหาจุดตั้งต้นก็คือการพัฒนาปัญญาซึ่งมีฐานอยู่ที่ความรู้เข้าใจหรือเท่าทันความจริงของสิ่งทั้งหลายที่ตนเกี่ยวข้องอันโยงกับกฎธรรมชาติหรือธรรมดาแห่งสภาวะ แล้วปัญญาก็จะชี้นําบอกทางพร้อมทั้งปรับแปรแก้ไขให้กระบวนปัจจัยาการดําเนินไปในวิถีของความสุขและอิสระที่ว่านั้นบทฐานของความรู้เข้าใจเข้าถึงระบบและกระบวนการของสภาวะธรรมที่เป็นธรรมดาของธรรมชาตินั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงนําความรู้เข้าใจนั้นมาประยุกต์สั่งสอนแสดงระบบ และกระบวนวิธีปฏิบัติของมนุษย์ที่จะให้เกิดผลเป็นไปตามระบบและกระบวนการของธรรมชาตินั้นโดยทรงจัดวางเป็นมรรคาชีวิตของคนหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าบนฐานแห่งสัจธรรมได้ทรงจัดวางระบบจริยธรรมที่เรียกว่ารมจริยะหรือมรรคขึ้นมาเป็นวิธีของอิสราภาพและความสุข ที่ปลอดทุกไร้ปัญหาดังที่ว่านั้นอันจะกล่าวในภาคของมัชชิมาปฏิปทาข้างหน้าต่อไปแต่ก่อนจะก้าวเข้าสู่มัชชิมาปฏิปทาที่เป็นส่วนรายละเอียดนั้นหน้าที่นี้เมื่อพูดถึงภาพรวมของมัชเชนธรรมเทเธสนาแล้วก็ขอกล่าวถึงจริยธรรมอย่างกว้างโดยรวมไว้ให้เห็นทางปฏิบัติทั่วไปก่อน ตามกฎแห่งไตรลักษณ์และปัจจัยาการว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงคงอยู่ไม่ได้จะต้องสลายตัวเปลี่ยนแปลงไปโดยเป็นไปตามเหตุปัจจัยมนุษย์จึงต้องดำเนินชีวิตแห่งความไม่ประมาทดังที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นปัจฉิมวาจาคือพระดำรัสสุดท้ายก่อนปรินิพานว่าวยะธรรมาสังขาราอั ป, ปมาเทนะสัมปาเทธะ สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือการที่มนุษย์ถึงและทันกับการเวลาถึงและทันกับความเป็นไปของเหตุปัจจัยทันกันกับธรรมชาติและทุกสิ่งทุกอย่างไม่ละเลยไม่เพิกเฉยเฉยชาไม่ปล่อยเวลาให้เสียไป แต่ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์โดยมีสติตื่นตัวทันต่อความเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวที่เป็นสัญญาณแห่งความเสื่อมความเจริญด้วยการใช้ปัญญาอยู่เสมอที่จะแก้ไขปัญหาและปฏิบัติจัดการด้วยความรู้ทั่วถึงเหตุปัจจัยเรื่องนี้ตรงกับในบาลีจากรไตัยิดกเล่มที่14่ว่าปัญญานัปปามัตเฉยยะไม่พึงประมาทปัญญา ไม่ละเลยการใช้และพัฒนาปัญญาความประมาทไม่ประมาทและกฎธรรมชาติแห่งไตรลักษณ์และปัจจัยาการนี้เป็นหลักที่มนุษย์จะต้องคำนึงทุกเมื่อคู่กับความเสื่อมความเจริญทั้งของชีวิตและของสังคมคือเป็นการจัดการกับความเสื่อมและความเจริญนั้นซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามเหตุปัจจัย เรื่องของสภาวะธรรมในแง่ของธรรมชาตินั้นตามกฎแห่งไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจัยาการสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงไม่คงที่คงทนอยู่ไม่ได้ก็ดับสลายพันแปรเปลี่ยนแปลงไปโดยเป็นไปตามเหตุปัจจัยดังที่ว่าแล้วและในแง่ของสภาวะธรรมในธรรมชาติไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรมันก็คือความเปลี่ยนแปลง แต่ในความหมายของมนุษย์ถือความเปลี่ยนแปลงทางหนึ่งว่าเป็นความเจริญเ ร, รียกความเปลี่ยนแปลงอีกทางหนึ่งว่าเป็นความเสื่อมและความเปลี่ยนแปลงในอาการต่า ง, างๆนั้นจะเป็นความเจริญแล้วเสื่อมลงก็ได้เสื่อมแล้วเจริญขึ้นก็ได้เสื่อมแล้วเสื่อมลงไปอีกก็ได้เจริญแล้วเจริญยิ่งขึ้นไปอีกก็ได้ทั้งหมดนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงซึ่งล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัย เฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยที่มนุษย์นั่นเองเป็นผู้กระทาพระพุทธเจ้าทรงย้าความสำคัญและตรัสสอนอยู่เสมอถึงการปฏิบัติจัดการที่จะป้องกันความเสื่อมที่ยังไม่มีที่จะแก้ไขให้พ้นความเสื่อมที่มีขึ้นแล้วที่จะทำให้เกิดมีความเจริญขึ้นที่จะรักษาความเจริญนั้นไว้และทำให้เจริญยิ่งขึ้นไปจนภัยบุ์ ทั้งนี้ตั้งแต่ในระดับบุคคลดังที่ตรัสสอนภิกษุให้เพียรพยายามที่จะลดละอากุศลเพียรพยายามบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพียรพยายามรักษาธรรมที่บรรลุแล้วมิให้เสื่อมลงหรือลดหายและทำให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปจนภัยบุ์ในระดับสังคมก็ตรัสสอนบ่อยโดยเฉพาะ ส่งเน้นย้ำมากในเรื่องการดำรงความเจริญมั่นคงของสังฆะคือชุมชนของมวลพระภิกษุตลอดไปถึงรัฐหรือบ้านเมืองอย่างในเรื่องของแคว้นวัดชีบัตรนี้สังฆะยังอยู่แต่วัดชีสลายถ้าในระดับสังคมไม่ไหวแต่ล่าชีวิตต้องให้ได้เป็นารรายไปพูดให้เห็นง่ายๆพระพุทธเจ้าตรัสหลักธรรมต่างๆมากมาย เพื่อสอนย้ำให้พระและประชาชนใส่ใจปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสื่อมและสร้างความเจริญงอกงามทรงย้ำถึงกับตรัสรับรองว่าถ้าปฏิบัติอย่างนั้นวุตธิเยวะปาติกังขาโนปริหานิจะหวังได้แต่ความเจริญเท่านั้นไม่เสื่อมเลยพุทธดา ร, รัสประโยคนี้ปรากฏในพระไตรปิฎกบ่อยอยางยิ่งเกินหนึ่งรสิบครั้ง ควรเอาใจใส่หลักการนี้กันให้มากซึ่งก็คือความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปนตามเหตุปัจจัยตามกฎธรรมชาติแห่งไตรลักษณ์และปัจจยาการพูดย้อนทางว่าเป็นการรู้จักใช้กฎธรรมชาติให้เป็นประโยชน์โดยสร้างสรรค์ทำเหตุปัจจัยให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เป็นความเจริญโดยไม่มีความเสื่อมมีแต่เจริญอยู่และเจริญยิ่งขึ้นเรื่อยไป เป็นหลักการที่ท้าทายต่อปัญญาและการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ถ้าสามารถปฏิบัติได้ตามหลักการอันอยู่บนฐานของกฎธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นี้ mm. ก็จะไม่ต้องตกจมลงไปในวงจรของความเจริญแล้วเสื่อมเสื่อมแล้วเจริญและเจริญแล้วก็เสื่อมอย่างที่ชอบพูดกันบ่อยทั้งนี้จะสาเร็จได้ก็ต้องมีความไม่ประมาท โดยมีสติที่จะใช้ปัญญาชี้นำการปฏิบัติจัดการด้วยความรู้เท่าทันทั่วถึงเหตุปัจจัยที่จะให้ความเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทางที่เป็นความเจริญอย่างที่พึงต้องการนั้นถ้าคนปฏิบัติจัดทาการด้วยปัญญารู้เข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่างนี้ปัญญานั้นก็จะพาให้คนทาการทั้งหลายด้วยจิตใจที่เป็นอิสระลอยวางได้ ไม่เครียดกังวลไม่กระวนกระวายเพราะใจนั้นได้ยกเรื่องยกปัญหาให้ไปแล้วแก่ปัญญาที่เอาไปจัดการได้อย่างเต็มวิสัยและรู้ทันมันตามเหตุปัจจัยสภาวะธรรมและกฎธรรมชาติในมัชเชนะธรรมเทศนา มัชเญณธะธรรมเทสนานั้นโดยตรงก็คืออิทัปปัจยาตาปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจยาการอันเป็นกฎธรรมชาติหรือธรรมดาของความเป็นไปตามเหตุปัจจัยพวงด้วยไตรลักษณ์อย่างไรก็ดีในกฎธรรมชาตินั้นก็มีสิ่งที่เป็นไปตามกฎคือสิ่งที่เป็นและเป็นไปตามเหตุปัจจัย ได้แก่สภาวะธรรมทั้งหลายโดยเฉพาะพวกที่เป็นสังคต ธ, ธรรมหรือสังขารการที่จะรู้เข้าใจกฎธรรมชาติก็ควรต้องรู้จักสิ่งที่ขึ้นต่อกฎซึ่งจะเป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นไว้ก่อนดังนั้นในการบรรยายเรื่องมัชเชนะธรรมเทศนาต่อไปนี้จึงจะยกเรื่องสภาวะธรรมขึ้นมาเป็นตัวตั้งให้รู้จักสภาวะธรรมนั้นไว้ก่อน สภาวะธรรมที่ว่านี้หมายถึงสังคตธรรมหรือบรรดาสังขารดังที่ว่าแล้วและสังคตธรรมนั้นที่ควรจะรู้เข้าใจให้ดีที่สุดก็คือขันห้าที่เป็นชีวิตคนเพราะเป็นเรื่องใกล้ชิดติดตัวและเป็นชุมนุมที่ประชุมสังคตธรรมหรือสังขารซึ่งพรั่งพร้อมที่สุดมีทั้งรูปธรรมและนามธรรมดังนั้นต่อจากนี้ จะบรรยายโดอเริ่มด้วยเรื่องขันห้าเป็นสภาวะธรรมตัวตั้งและพูดถึงกฎธรรมชาตินั้นๆตามลำดับต่อไป